วิธีเจริญสมาธิดังเล็กเล่าแล้วว่าผู้ปฏิบัติธรรมอาจใช้สมาธิเพียงขั้นต้นที่เรียกว่าคณิกาสมาธิเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับใช้ปัญญาพิจารณาสภาวะธรรมตามหลักวิปัสสนาและสมาธินั้นก็จะเจริญขึ้นไปกับการเจริญวิปัสสนาด้วยอย่างไรก็ดี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 บางทีก็พาให้ฟุ้งซ่านซสอีกดังนั้นจึงเกิดความนิยมที่จะฝึกพัฒนาเน้นหนักด้านสมาธิให้เป็นพื้นฐานไว้ก่อนไม่มากก็น้อยแม้จะไม่หวังเอาผลสาเร็จทางด้านพลังจิตถึงขั้นฤทธิอ์อภิญญยาอะไรแต่ก็พอให้เป็นพื้นฐานที่มั่นคงพอสมควรในการเจริญปัญญาต่อไป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 ก็ไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์เลยหากเทียบกับตัวอย่างในคำพีเช่นอลาระดาบทกลามโคตระหว่างเดินทางไกลนั่งพักกลางวันอยู่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งมีกองเกวียนประมาณห้าร้อยเล่มผ่านไปใกล้ๆท่านก็ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงกองเกวียนนั้นเลยพระพุทธเจ้าคราวหนึ่งขณะประทับอยู่หน้าเมืองอาตุมามีฝนตกหนักมาก ป้าขนองเสียงฟ้าผ่าเครื้องกลั่นสนั่นไว้ชาวนาสองพี่น้องและโคสี่ตัวถูกใส่ฟ้าฟาดเส้นชีวิตใกล้ที่ประทับพักอยู่นั่นเองพระพุทธเจ้าทรงอยู่ด้วยวิหารธรรมอันสงบไม่ทรงได้ยินเสียงทั้งหมดนั่นเลยมีพุทธพจน์แห่งหนึ่งตรัสว่าผู้ที่ฟ้าผ่าไม่สะดุง้งก็มีแต่พระอรหันตตะขี น, นาศ ช้างอาชาในมาอาชาไนและพญาสิฮราชในหมู่คนสามัญกำลังใจกำลังปัญญาความแน่วแน่มั่นคงของจิตก็ยังแตกต่างกันออกไปเป็นนันมากสำหรับคนส่วนใหญ่ซึ่งกำลังความมั่นคงของจิตก็ไม่มากกำลังปัญญาก็ไม่เฉียบแหลมนักอาจารย์ใหญ่มากหลายท่านจึงเห็นว่า ถ้ามีเตรียมจิตที่เป็นสนามทํางานของปัญญาให้พร้อมดีก่อนโอกาสที่จะแทงตลอดสัจธรรมด้วยโลกุจระปัญญายอมเป็นไปได้ยากยิ่งท่านจึงเน้นการฝึกจิตด้วยกระบวนสมาธิภาวนาให้เป็นฐานไว้ก่อนเจริญปัญญาอย่างจริงจังต่อไปการฝึกอบรมเจริญสมาธินั้นแม้ว่าโดยหลักการจะพูดได้สั้นนิดเดียว แต่ในด้านวิธีการมีเนื้อหารายละเอียดมากมายยิ่งถ้าพูดต่อออกไปจนถึงการใช้สมาธิคือจิตที่เป็นสมาธินั้นเป็นสนามปฏิบัติการของปัญญาในการปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาด้วยแล้ว <c oughs> ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่มากมีขอบเขตกว้างขวางรวมเรียกว่าสมถะและวิปัสสนา ซึ่งควรจะเขียนแยกไว้เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งต่างหากแต่เฉพาะในที่นี้ยังงมิใช่ฐานะที่จะทำเช่นนั้นจึงจะกล่าวไว้แต่หลักสำคัญกว้างๆพอเป็นข้าวให้เห็นแนวทาง